อันนั้นตัวในครั้งหนึ่งนะว่าพุทมะเทวดาก็บรือบรือเสียงว่าเออเนี่ยธรรมจักรเนี่ยไม่มีใครปฏิวัติได้จริงๆอนุตตรังธรรมจักรังอปติวัตติยังน่ยนะก็คือเป็นธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมที่ไม่มีใครปฏิวัติได้ท้าวจาตุมก็บอกเออใช่ธรรมจักรนี่ยอดเยี่ยมจริงๆไม่มีใครปฏิวัติได้พรทมะเทวดา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 ช่วครู่หนึ่งเนี่ยเสียงก็กระชอนบอกว่าโอ้นี่เทมธรรมาจักที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่ใครปฏิวัติไม่ได้ในโลกเนี่ยเสียงเหล่านี้ก็ระบือไปถึงพรหมโลกทั้งหมื่นโล ก, กาธาตุนี้ก็ได้หวั่นไหวสะเทือนสถานด้วยแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวนาทั้งหลายก็ได้มีแสงสว่างขึ้นเนี่ยนะกว่าสว่างถึงโล ก, กันตนร ก, กว่างัน เขบอกว่าแสงสว่างอื่นๆเน addition, ี่ยตั้งอยู่ไม่นานแต่แสงสว่างในการแสดงธรรมจักงเนี่ยตั้งอยู่นานเนี่ยนะค่อนข้างว่าตั้งอยู่นานในระหว่างที่บอกว่าพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าอัญญาซีวัตโผโกลทันโยโกลทัญยะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกลทัญยะได้รู้แล้วหนาเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญาโกลทัญยะอัญญาเนี่ยแปลว่ารู้แล้วเนี่ยนะรู้แล้วเนี่ยอัญญาโกลทัญยะโกลทัญยะผู้รู้แล้ว คือโกนธัญญาผู้เห็นอริยสัจแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นชื่อของพระท่านโกนธัญญาชื่อว่าอัญญาโกนธัญญะคือโกนธัญญาผู้เห็นอริยสตัจตามที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าได้พยานในขณะนั้นเนี่ยนะก็มีผู้ที่ตรัสรู้เท่าไหร่พรมเนี่ยสิโกดเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายก็มีการตรัสรู้ในณที่แห่งนั้นเนี่ยนะเขมีสาตาคิริยักษ์ฟังธรรมอยู่สาตาคิริยักษ์เนี่ยเขาเป็นยักษ ที่อยู่ในมัชชิมชนบทเป็นยักษ์ที่อดีตชาติเป็นพระภิกษุก็ฟังธรรมอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ยธรรมจักนี่ดีเหลือเกินเพราะเหลือเกินคิดถึงเพื่อนเพื่อนก็อยู่ป่าหิมวันเพื่อนเกามีป่ามีบริวารอยู่ที่ป่าก็เล ย, เยจะไปชวนเพื่อนธรรมจักนี่ดีเหลือเกินเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนมาฟังธรรมเหมวัตรยักษ์เขาเป็นยักษ์ที่อยู่ป่าเขาก็เป็นเพื่อนกันอดีตชาติเป็นพระภิกษุทั้งคู่แต่ว่าเนื่องจากว่าทําผิดพลาดบางอย่างก็เลยทําให้เกิดเป็นยักษ์ นี่ก็คิดว่าโอ้ยปา่าเนี่ยนะปา่าทําไมมันงดงามดอกไม้เบ่งบานแหมสวยสดงดงามดีเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาเที่ยวปา่ากงงันมาเที่ยวปา่าทําไมปา่ามันงดงามเหลือเกินมันพิเศษแหมหน้าเรื่นรมหน้าเพลิดเพลินเหลือเกินก็เลยเหาะไปหาเพื่อนพร้อมกับบริวาร500อีกเพื่อนหนึ่งก็จะเหาะไปหาเพื่อนเลยพาบริวารไป500รอเหาะคุยกันอยู่บนโน่นนะที่ไหนเหาะกันอยู่บนสนทนากันอยู่ข้างบนกรุงราชครึกยักเขาคุยกัน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 บรรลุเป็นพระโสดาบันแพทองอยู่เดินดั้งยืนผึ่งลมตากลมเนี่ยนะบรรลุเลยยักษ์ทั้งคู่นี่ก็ประทมยามผ่านไปก็ประมาณสี่ทุ่มคืนนี้เข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะไปสนทนาธรรมะถามปัญหาธรรมะจบก็บรลลุเป็นพระโสดาบันกันทั้งคู่เนี่ยนะในเหมมวัตสูตรเนี่ยเหมวัตสูตรสุตสตานิบาตเนี่ยกล่าวว่าอย่าง น, น, นั้นคืนนั้นเนี่ยก็มีผู้บรลลุเยอะช่วงเที่ยงคืนนี่ยักษ์ก็มาถามปัญหา น, ะนี่พอเช้ามา หลังจากนั้นเนี่ยนะท่านพระอัญยาโกนธัญญะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วก็คือเห็นอริยสัจแล้วบรรลุอริยสัจแล้วรู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีอริยสัจอันตนอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยในเรื่องอริยสัจแล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยไม่สงสัยเลยว่าผู้ที่เล่าตรัสรู้อะไรไม่สงสัยในอริยสาัจแล้วก็ไม่สงสัยผู้ที่ปฏิบัติเห็นอริยสัจ ถ, ถึงความเป็นผู้เกล้ากล้าไม่สงสัยแต่ไม่ใช่จ้องหนอยไม่ใช่นะ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 องค์ก็บอกว่าธรรมะที่พระองค์พูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบเลี้ยวไหลพูดเลอะเทอะเลอะเรือน เ, เ, เ, เป็นต้นไม่นะสวักขาโตพระวาตาธรรมโมพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์คือคําสอนอันประกอบไปด้วยศิกขาสามที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคเธอจงเจริญศิกขาสามปฏิบัติตามมารยมรรคเพื่อทําที่สุดแห่งวัตถุทุกโดยชอบเธอเนี่ยนะเพราะตอนนั้นพระัญญาโกฏัญญาเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้ประพฤติ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 สัว่าผู้มีอายุตรงนี้กับอาวุโสเนี่ยคนละอย่างกันผู้มีอายุตรงนี้เป็นคําที่พระสังคีติกาจารย์ยกย่องนับถือว่าเป็นคนระดับภาษาเราเรียกระดับปรมาจารย์อะไรเงี้ ย, เ, ยเพราะเป็นผู้ที่ตรัสรู้คนแรกในาศาสนานี้เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอายุสมาผู้มีอายุเป็นคําที่ยกย่องเคารพสรรเสริญมากเนี่ยนะก็อย่างที่เล่าว่าคืนนั้นก็มีผู้ที่สาตาคิริยักเฮมวัตยักพร้อมทั้งบริวารก็มาฟังธรรมแล้วก็บรรลุอีก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 ก็จะสอนอย่างเงี้ยบรรลุวัลล อ, องวัลล อ, องไม่ใช่ว่าเรียกามาเรียกมานั่งเทศอะไรไม่ใช่แต่หมายก็ว่าท่านเหล่านั้นก็ไปเจริญอยู่ของท่านนั่นแหละแล้วพอเขาคิดพลาด ป, ป, ปั๊บค์ก็แวะไปแนะนำเนี่ยนะ ก, ก็แวะปบก็ในที่สุดก็เห็นอริยสัจตามนั้นพันวันแรมหนึ่งข่ำวัปปะบรรลุแรมสองข่ำพทัทธิยะบรร ล, แลุแรมสคมข่มหานามะบรรลุแรมสค่ข่พระสัชชิบรรลุเนี่ยนะพันทุกท่านที่บรรลุเนี่ยทุกท่านที่บรรลุ ก็คือบรรลุก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทุกสัตว์ทั้งหลายมีสมุทัยเป็นแดนเกิดทุกเหล่านั้นดับก็เพราะว่าดับสมุทยัยนั่นแหละทุกท่านก็เห็นอริยสัจเหมือนกันเมื่อเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะ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 ได้ทูลคานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรนประชาอุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเธอทั้งสองก็คือว่าจริงอ่ะวันวันลองอ่ะนะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ยังยืนยันนะว่าสวัสดขาโตเนี่ยนะธรรมะเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอทั้งสองหรือเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์ คือประพฤติศาสนาะพรหมจรรย์อธิศีนอาธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาเพื่อบรรลุมรคพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งวัตถุทุกโดยชอบเธอเนี่ยนะเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกทาลายกองทุกในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานทำลายกองทุกที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยชอบเธอว่ากันนี่โดยปกติเนี่ยนะปกติแล้วเขาก็เปลี่ยนกันไปบินทบศเนี่ยนะท่องสอนทีละสองรูป สอนทีละสองรูปโดยมาก3รูปก็ไปบินธบัติฉันอาหารทั้ง6รูปคือรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เลี้ยงชีวิตนะนะบินธบัติสามรูปนะไม่ใช่บินทั้งหมดนะอยู่6 ก, ก็จริงแต่ว่าบินธบัติสามรูปมันก็สรุปว่าวันที่หนึ่งวัปปะบรรลุวันที่สองพัทธยะบรรลุวันที่ส ม, มหานามบาบรรลุวันที่สพระสชิบรรลุเนี่ยนะมันวันแรม5ค่าคแรมหคำ่ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรับสั่งกับพระปัญจวัคคีว่าตรงเขาบอกว่าเชื่อกันว่าสถานที่ที่พระองค์แสดงธรรมจักก็คือทำเมฆคสถูกส่วนสถานที่ที่พระองค์แสดงอนัตตลักษณะสูตรธรรมราชิกะสถูปเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะที่เป็นลานกลมๆอยู่เฉยๆเป็นลานกลมๆเป็นเหมือนกับฐานเจดีเขาเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยพระองค์แสดงอนัตตลักษณะสูตรว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาเลยนะอัตตาไม่มีในรูปเลยดูการพิสูุนทั้งหลายถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่านพิสูจนทั้งหลายก็เพราะว่ารูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า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 เวทนาเป็นอนาตตาเวทนาก็ไม่ใช่อัาตตาเหมือนกันดูกรพิสูนทั้งหลายถ้าหากว่าเวทนานี้จะเป็นอัาตตาแล้วไซเวทนานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนานี้มันเป็นไปตามภาษานะไม่ได้เป็นไปตามคาขอ ใช่ไหมเวทนานี่เป็นไปตามภาษาถ้าภาษาดีเวทนาก็ดีถ้าภาษาเลวเวทนาก็เร็วเวทนาเป็นไปตามภาษะเมื่อเวทนามีภาษาเป็นแดนเกิดแล้วใครไปมีอํานาจในเวทนามั่งมันเวลามันไม่สบายใจคิดเฮอะอย่าเสียใจเลยนะใจเอ้ยเนี่ยไม่เชื่อหรอกอย่าปวดซีอย่าปวดเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดยาได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเวทนามันเป็นอนัตตามันจึงป่วยโดยปกติของมันเองเนี่ยนะคือเวทนามันสุดสุดแท้แต่ผัสสะเพราะมันจึงเป็นสภาพที่อาพาธโดยธรรมชาติของมันเองเพราะเวทนาเนี่ยเขาบอกว่ารูปรูปเนี่ยเหมือนอะไรรูปเหมือนโรงพยาบาลไอเวทนาเหมือนอะไรเหมือนกับความเจ็บป่วยเนี่ยนะสัญญาคือสมุทฐานแห่งความป่วยไข้ วิญญาณก็เหมือนกับคนป่วยสังขารก็คืออาหารแสลงทั้งหลายเนี่ยนะมันก็คือโลกแห่งความเจ็บป่วยโลกแห่งโครคภัยไข้เจ็บก็คือขันท่าเนี่ยนะสัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าสัญญานี้จกเป็นอัตตาแล้วใช้สัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าสัญญามันเป็นอัตตานะมันไม่ป่วยหรอกและบุคคลย่อมได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจ้องเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเรา อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิ่สูตรทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เธอสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะก็มีใครเพราะสัญญานี้มีอะไรเกิดสัญญาจึงเกิดก็เพราะภาษาสัญญาก็สุดแท้แต่ภาษาภาษะ อย่างหนึ่งภาษาเป็นที่ตั้งแห่งกุศลภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลสัญญาเป็นต้นสัญญาก็เนื่องด้วยภาษะมันไม่ได้เนื่องด้วยความปรารถนาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จะเป็นอัตตาแล้วไซ ส, สังขารเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เธอสังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนที่สูตทั้งหลายก็เพราะว่าสังขารเนี่ยมันเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขาร น, นี่มันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เธอสังขารทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย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 วิญญาณเป็นอนัตตาดูกรพิสูนทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จกเป็นอัตาแล้วไซวิญญาณ น, นี้ก็ไม่เพึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลเพึงได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูกรพิสูนทั้งหลายก็เพราะว่าวิญญาณ น, นี้มันเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณ น, นี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ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 อาพาธเมื่อสิ่งใดที่มันอาพาธและอัตตาอยู่ที่นั้นได้อย่างไรพระองค์ก็แสดงอนัตตาลักษณะโดยอนิจจังอ่าขออภัยโดยทุกคลักษณะเนี่ยนะโดยทุกคลักษณะคืออาพาธพระองค์ประกาศอนัตตาลักษณะแล้วต่อไปก็จะแสดงอนิจจารักษณะและทุกคลักษณะเพิ่มดีกว่าดูความพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง้วยนะตัวมันเองก็ไม่เที่ยงด้วยทุกข์ด้วยเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตัวมันเองนะไม่เที่ยงแล้วก็ภาระก็เต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจจริงควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวันนั้นของเรานั่นเป็นเร า, น, น, เ น, เรานั่นเป็นอัตราของเราไม่เที่ยงด้วยแล้วมันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยนะ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 สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ า, ส, ส, ส, า, า, าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าแล้ววิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่านี่ยนะก็คือวิญญาณก็คือจิตที่อาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์นี่เกิดขึ้นใช่ไหมก็คือ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 เหตุน <S an> ั <S an> ่นเหตุไหนก็เหตุที่มันไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นอนัตตาด้วยเหตุที่เธอก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ควรตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นแหละพี่สูตทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยางละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเป็นรูปทั้งนั้นแหละมันจะอดีตมันก็คือรูปอนาคตมันก็คือรูปปัจจุบันมันก็คือรูปภายในมันก็รูปภายนอกมันก็รูป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 เป็นต้นทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาที่เรียกว่าอานิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยให้มันแม่นเลยนะอย่าเผลอเด็ดขาดเลยไอตาเมียมันนั่นเมื่อไหรมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไรมันก็ไม่เป็นเราเมื่อไร่มันก็ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะใช่และเชื่อแล้วตอนฟังธรรมนะไอ้นั่นของเราเสร็จหรือ ย, ยังนาะเนี่ยนะก็ของเราออจะได้นะ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 สักวันหนึ่งเอนาเนี่ยนะน้องเรื่องนะสักวันหนึ่งเธอหน้ า, านวันไหนก็วันเนี้ยเช้าสายบ่ายค่านี่แหละเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเวทนาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพราะโรปเวทนาเราอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นมันก็สักแต่ว่าเวทนามันก็คือเวทนาทั้งนั้นแหละ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 เพราะฉะนั้นให้เธอเห็นเวทนานั่นแหละด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาด้วยอนัตตานุปัสสนาเพื่อมรรควิปัสสนาเนี่ยนะตามความเป็นจริงไว้เลยด้วยสมถาวิปัสสนาตามเป็นจริง Instagram. ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจำไม่เลยระลึลกไว้เลยว่าความรู้สึกทุกชนิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเร า, า, เ, ราเพราะเวทนามีอะไรเป็นเหตุหเกิดบอกมีผัสสะเป็นแดนเกิดเนี่ยนะก็เราถามเวทนาเป็นของอะไรเป็นของ ภัสสถ้าภาษาเกิดเวทนาเกิดถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับแต่มันก็อดกับของเราไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็ของเราไงเอ๊ถ้าไม่มีเราแล้วเอ๊บุญบาปที่เราทําแล้วจะไปอยู่ไหนกันเน่นั่นเอาให้ขนาดนั้นเลยนะแปลว่าคนที่เบลเบลเนี่ยนะก็ว่ามันจะตรวนเรยุ่งไปหมดเลยเพระก็การศึกษาพระธรรมเนี่ยว่าพยายามศึกษาให้มันรอบคอบถ้าศึกษาไม่รอบคอบเนี่ยนะศึกษานี่พันโน่นเโตะนี่มั่วยุ่งอยวุ่นวาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบละเอียดซามประนีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นเป็นศัพท์แต่ว่าสัญญาเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อกี้ถามกันแนละ้วใช่ไหมว่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ย สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตราของเราไม่ควรสังขารทั้งหลายหรือสังขารเหล่าใดาเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็เป็นศัก์แต่ว่ากองสังขารทั้งนั้นแหละ เธอทั้งหลายพิ่งเห็นสังขารเหล่านั้นด้วยวิปัสนาอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตฐานุปัสนาเพื่ออริยมรรคเขาวิปัสนาตามเป็นจริงอย่างนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นเป็นสักแต่ว่าวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะ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 ที่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ที่เป็นทั้งอาพาธสรุปว่าตัวที่เป็นอนิจจังและทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอะไรยังคำพูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกําหนดรู้ถ้ากําหนดรู้ทุกเท่าใดเนี่ยนะก็ละสมุทัยเท่านั้นถ้ากําหนดรู้ขันห้าโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่าใดเนี่ยนะถ้าเห็นขันห้าโดยอนิจจังเท่าใดก็ละโทสะเท่านั้น หรือละมานะเท่านั้นถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกเท่าใดก็ละตันหาเท่านั้นถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาเท่าใดก็ละทิฏฐิเท่านั้นเนี่ยนะท่านก็อริยาสาวกผู้ดได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายไม่ในรูปคำว่าเบื่อนี่ก็บอกว่าก็กคือรูปเป็นของร้อนเนี่ยแหละกันเดียวกันนะ่ยนะก็เบื่อหน่ายในรูปก็คือแำไมมันพิษภัยทุกโทษทาไมมันโทษมากมายขนาดนี้เนี่ยนะนะอะไรจะมีโทษเท่ารูปไม่มีอีกแล้วกก็เลยเบื่อหน่ายในรูป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 จ ì, ango, e humans, is, ิตหลุดพ้นตัวนี้เรียกว่าจิตที่หลีกออกวิราคาแปลว่าจิตที่หลีกออกหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะน้อมไปหาธรรมเป็นที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพะนั้นก็ใจก็หลุดพ้นจากรูปมัคจิตเนี่ยนะก็คือใจที่พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใจที่ไม่ได้มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใจที่หลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้สําเร็จ เรียกว่ามัคจิตเรียกว่าวิราคะเนี่ยนะเรียกว่าหลุดพ้นเนี่ยเมื่อจิตหลุดพ้นก็ปัจเจกขณะยานก็เกิดขึ้นว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วที่จริงพระโสดาบันก็หลีกได้บางส่วนนะนะยังอลัยอวรนขันหลายส่วนพระสกะทาคามีก็หลีกจากขันได้บางส่วนอนาคามีก็หลีกได้อีกหลายส่วนแล้วก็พระาราันหลีกได้ทุกส่วน ไม่มีขันไหนที่พระอรหันต์จะหลีกออกไม่ได้เนี่ยนะเท่ว่าจะไปเยื่อใยด้วยตันหามานะทิฏฐิไม่มีพระโสดาบันเนี่ยละเยื่อใยด้วยทิฏฐิได้เสร็จแต่ก็ยังด้วยตันหาและด้วยอะไรนะตันหามานะไม่ได้พระนาคามีตันหาบางส่วนละได้แต่ก็เหลือมานะพระอรหันต์เนี่ยหลีกได้เสร็จสิ้นเนะี่ยไม่มีเยื่อใยด้วยตันหามานะและทิฏฐิในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญ ญ, ญาณก็มีปัจจวีกว่าชาติสิ้นแล้ว แปล ว, ว่าปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพรหมจันทร์อยู่จบแล้วเขาเรียกว่าอยู่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเสร็จสิ้นแล้วกิจ16ที่ควรทําในอริยสัจสีก็ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเนี่ยนะกิจการเจริญ อ, อ, อริยมรรคเพื่อกําหนดรู้ทุกข์เป็นต้นเนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์ก็ยินดีเพลิดเพลินภาษิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยากรณภพาสิทธินี้อยู่จิตของพระปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเหลือแต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่น้นก็ทั้งสวดทั้งฟังทั้งอ่านทั้งสาธยายก็อยู่อยู่ที่เก่าเนี่นยนะกัคนบุญน้อยนะก็กำลังบ่มอินทรีย์อยู่อินทรีย์มันยังไม่แก่ศรัทธามันยังไม่ค่อยแก่เนี่นยนะ ศรัทธาศิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ค่อยแก่เท่าไรเว้นแต่ผมขนเล็บฟันหนังแก่ไปเรื่อยเนี่ยนะแต่นี่ก็ปัญญาก็ทําย่างไรมันจะได้แก่ๆขึ้นมันแก่กล้าเนี่ยนะแก่กล้ายิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะแก่ๆๆแกล้าขึ้นไปบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะวันพระปัญจวัคคีย์ทั้งหเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันในวันห้าค่าหลังจากนั้นอีกวันสองวันเนี่ยพระนารกะก็ไปทําปัญหาพระนารกะที่ที่ หลานของ อ, อสิตาฤศีเนี่ยนะ อ, อสิตาฤศีเนี่ยนะหรือกาลเทวินดาบทนั้ น, นเป็นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยนะที่ไปเที่ยวเทวโลกมาที่รู้ว่าเจ้าชายสิทธะจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ากลับไปวังเนี่ยไปสั่งให้ลูกน้องสาวออกบวชเลยทั้งท้งมีทรัพย์80โกดนะบอกหลานบวชเลยไม่ต้องฟังคําของใครทั้งนั้นรอฟังว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วไปเฝ้าแล้วฟังธรรมจะได้บรรลุอสิตาก็เลยเข้ามาถามพระพุทธเจ้า วันที่7หลังจากแสดงธรรมจักก็มาถามก็ประมาณแรม6ค่ำเจ็ดค่ำเนะี่ยก็มาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนนาลากะปฏิปทาท่านก็ไปปฏิบัติโมนยะปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมูนีเนี่ยนะท่านก็ปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ก็ปรินิพานภายใน7เดือนท่านหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นไปอีก7เดือนท่านก็ดับขันปรินิพานเรียกว่าพระนาลากะในพุทศาสนาของพระพุทธเจ้าจะมีอย่างนี้หนึ่งหนึ่งท่าน ผู้นี้จะสันโดษในการเห็นในการฟังพระธรรมเนี่ยนะก็ขอฟังครั้งเดียวไปปฏิบัติและบรรลุเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่จําไม่มีการไปอยู่อาศัยหมู่บ้านใดซ้ำ ส, สองครั้งไม่มีไปอยู่โคนต้นไม้โคนใดแล้วซ้ํามไม่มีมันอุกฤตมากท่านปฏิบัติอุกฤษชีวิตของท่านอยู่ได้ประมาณเเดือนก็สิ้นชีวิตแต่ว่าท่านไปฟังธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจัก7วันเนี่ยนะส่วนหลังจากนั้นกลางๆพรรษาไปแล้วเนี่ยนะพระยศาสกุลบุตรจึงจะมา อันเกี่ยวกับเรื่องยศศักดิ์คุณรบทรก็ไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกัน